เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราชสองพนห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นวันพระวันธรรมอศวนาวันฝันธรรม วันที่สาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจมาวัดเพื่อปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าที่สอนให้ทาบุญละบปาปให้ํำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อผลก็คือมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์ลดน้อยลง มีภพชาติลดน้อยลงและหมดไปในที่สุดนี่คือเจตนารมของพระพุทธเจ้าต้องการให้พุทธบริษัทได้เข้าหาความสุขได้ให้ล้ความทุกข์ให้ตัดภพชาติให้น้อยลงไปตามลำดับ จนหมดสิ้นไปขณะนี้สัตว์โลกถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนสอนแล้วไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อก็จะเดินทางสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าคือจะไม่ทำบุญไม่ละบา ไม่ ล, ละชำระใจให้สะอาดไม่สร้างความสุขไม่ละความทุกข์ไม่ลดละไม่ตัดการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการกระทาที่ขัดกับหลักธรมก ร, รมคำสอนของพบะตุเจ้าเป็นการกระทาที่จะ ไม่ได้ทำให้เกิดความสุขเพิ่มากขึ้นไม่ได้ทำให้ลดความทุกข์ให้น้อยลงไปไม่ได้ตัดจำนวนภพชาติของการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยและหมดไปในที่สุดขณะ น, นี้สัรโลกส่วนใหญ่จะเข้าหาความทุกข์กันเพราะหลงคิดว่าเป็นความสุขกัน แล้วเดินหนีความสุขกันเพราะคิดว่าเป็นความทุกข์กันกําลังสร้างภพสร้างชาติกันเพราะไม่รู้ว่าตอนเองหลังจากที่ตายไปแล้วจะเป็นอะไรต่อไปนี่แหละคือความจริงของสัตว์โลกและความจริงของพระพุทธศาสนาถ้าผู้ใด ได้เข้าถึงความจริงของพระศาสนาผู้นั้นก็จะเปลี่ยนทิศทางการดำเนินชีวิตแทนที่จะหาเดินเข้าหากองทุกก็จะเดินออกจากกองทุกแทนที่จะเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นก็ลดความทุกข์ให้น้อยลงแทนที่จะเพิ่มพบชาติให้มีจำนวนมากขึ้น ก็จะลดปริมาณพบชาติให้น้อยลงไปด้วยการกระทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นแทนที่จะไปหาเงินมามากๆก็พยายามที่จะลดจำนวนเงินทองที่มีอยู่ให้น้อยลงไปให้มีน้อยลงไป เพราะเงินทองนี่เป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นกองสุขแต่ผู้ที่ไม่มีปัญญาผู้ที่ยังถูกความหลงครอบงำอยู่จะเห็นกับตาละปัดเห็นตรงกันข้ามกับความจริง <c oughs> คือมีมิจฉาทิฏฐินั่นเองถ้าผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิอย่างพระพุทธเจ้า และพระอาลัยตสาวกทั้งหลายท่านไม่หาเงินทองกันท่านไม่ต้องการเงินทองเพราะเงินทองนี้เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจเวลามีเงินทองแล้วทำให้ใจร้อนขึ้นมาร้อนด้วยความหวงร้อนด้วยความตนีร้อนด้วยความเสียอกเสียใจ เวลาที่เงินทองหมดไปนี่เป็นสิ่งที่สัต์โลกไม่มองกันไป ม, มองที่ว่าเวลามีเงินทองแล้วจะทำตามความอยากต่างๆได้อยากจะได้อะไรก็ซื้อมาได้อยากจะทำอะไรก็ทำได้แต่ไม่เคยดูผลที่เกิดจากการทำตามความอยากเลยว่า ทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นหรือมีความทุกข์มากขึ้นทำให้ใจสงบมากขึ้นหรือทำให้ใจวุ่นวายเพิ่มมากขึ้นนี่คือสิ่งที่สัสตว์โลกมองไม่เห็นกันก็คือผลที่เกิดขึ้นกับจิตใจของตนไปมองแต่ผลที่จะเกิดขึ้นจากการได้ทำตามความอยาก เวลาอยากได้อะไรแล้วได้มาก็ดีออกดีใจเวลาอยากจะทําอะไรพอได้ทําก็มีความดี อ, อกดีใจแต่ไม่ได้มองว่ามันดีออกดีใจไปนานสักเท่าไหร่ได้มาแปบหนึ่งก็ความดีออกดีใจก็หายไปแล้วได้ทําอะไรตามความอยากแปบ๊บหนึ่ง ความดี อ, อกดีใจก็หายไปแล้วแล้วก็ต้องทําใหม่อีกต้องซื้อใหม่อีกนี่พอไม่มีเงินจะซื้อก็เดือดร้อนพอไม่สามารถทาตามที่อยากจะทําได้ก็เดือดร้อนเ <Yeah. S 1> พราะการทําตามความอยากไม่ได้ลดไม่ได้หยุดความอยากแต่กลับต่ออายุของความอยากให้ยาวขึ้นไป ให้มีมากขึ้นไปคิดดูซิตั้งแต่เราเกิดมาเราได้ทำตามความอยากต่างๆเราม า, มากน้อยเพียงไรแล้วแล้วผลที่ได้รับจากการทำความอยากเคยทำให้เราพอบ้างหรือไม่ถ้าจะพอก็พอเดียเด๋ยววเช่นเวลารับประทานอาหารจนรับประทานไม่ลงแล้วก็พอ แต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากจะกินขนมอยากจะดื่มเครื่องดื่มขึ้นมานี่แหละคือความทุกข์ที่พวกเรามองไม่เห็นกันถ้าเราทำตามความอยากเราก็จะสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราจะไม่ได้เจอความพอ เมื่อเราไม่มีความพอเราก็อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆแล้วหดเหงียดลำคาญใจเวลาอยากจะทำอะไรอยากจะซื้ออะไรอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรพอไม่ได้ทำตามความอยากก็มีความหมดเหงีดมีความลำคาญใจ มีความไม่สบายใจนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้หยุดความอยากกันเรามาต่ออายุเรามาเพิ่มความอยากกันนั่นเองเราไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนความอยากจะน้อยลงไปความอิ่มความสุขความพอจะมีเพิ่มมากขึ้น เช่นเวลาเราอยากจะเอาเงินไปเที่ยวถ้าเราเอาเงินนี้มาทำบุญแทนเราก็ไม่ได้เที่ยวเราก็ไม่ได้ทำตามความอยากแต่การที่เราเอาเงินมาทำบุญนี้กับทำให้เรามีความอิ่มใจขึ้นมาทำให้เราไม่เที่ยวก็ไม่เดือดร้อน แต่ถ้าเราไม่เอามาทำบุญเราเอาไปเที่ยวเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เราก็อยากจะเที่ยวใหม่แล้วถ้าเราไม่มีเงินเที่ยวเราก็จะเดือดรอ้อนแต่ถ้าเราเอาเงินมาทำบุญเราจะไม่อยากเที่ยวพรุ่งนี้เราก็จะไม่อยากเที่ยวเราอยู่เฉยๆได้เพราะเราไม่ทำตามความอยาก ความอยากมันก็เลยอ่อนกำลังลงไปนี่แหละคือวิธีที่พระเจ้าสอนให้พวกเราทำให้เราออกจากกองทุกข์กันกองทุกข์ก็คือการกระทำตามความอยากต่างๆแล้วก็มาทำสิ่งที่จะทำให้ใจเราอิ่มก็คือทำให้เงินทองของเรามีน้อยลงไปเพราะถ้ามีเงินทองมาก เดี๋ยวความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาล่อให้เราใช้เงินทององีกพอเราไม่มีเงินทองมีความอยากเกิดขึ้นเราก็จะได้ทำตามความอยากไม่ได้เราก็จะไม่ต้องทำตามความอยากเราก็จะได้ไม่ต่ออายุของความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างเวลาเป็นพระนี่ ไม่มีเงินไม่มีทองอยากจะได้อะไรก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีเงินที่จะซื้อพอไม่ได้ซื้อเรื่อยๆพอไม่ได้ทำตามความอยากไปเรื่อยๆต่อไปความอยากจะซื้ออะไรต่างๆก็หายไปหมดอยู่แบบตามบุญตามกรรมได้ยินดีตามมีตามเกิดได้ได้อะไรมาก็ ใช้ไปไม่ได้อะไรก็ไม่ต้องใช้เหมือนนี่แหละคือการสร้างความสุขใจเวลาไม่มีความอยากก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองทุกวันนี้ญาติโยมอยู่เฉยๆได้ไหมไม่ต้องทํางานได้ไหมเวลาไม่มีงานทํานี่เดือดร้อนหรือเปล่าเวลาไม่มีรายได้ไม่มี ไม่มีเงินเดือนก็เพราะว่าเรามีรายจ่ายแต่ถ้าเราตัดรายจ่ายออกไปเราก็ไม่ต้องมีรายได้ถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆได้เราก็จะตัดรายจ่ายออกไปได้เยอะจะเหลือเพียงรายจ่ายที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นก็คือค่าอาหารเสื้อผ้าเราก็มีเต็มตู้รถตู้แนละ้วบ้านเราก็มีอยู่ อย่างมากก็เสียค่าน้ําค่าไฟหรือเสียค่าเช่าบ้านยา ก, ก็นานๆจะกินสักครั้งหนึ่งรับรองได้ว่าถ้าเราอยู่บ้านได้ไม่ออกไปเที่ยวไม่ออกไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จําเป็นต่างๆได้เราจะไม่ต้องไปทํางานก็ได้หรือถ้าเราทําเราก็ไม่ต้องทํามากก็ได้ทําพอให้มีอาหารกิน มียารักษาโรคมีจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านเท่านี้ก็พอแล้วเงินทองก็จะไม่เป็นเรื่องปัญหาของเราเราจะไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหาเงินหาทองทุกขกับการหาเงินหาทองทำงานไปเป็นลูกจ้างเขาบางทีก็ไปเจอเจ้านายไม่ดีเจ้านาย งี่เง่าเอาแต่อารมณ์เห็นเราเป็นเหมือนคนรับใช้ทั้งๆ ท, ที่เราเป็นเพียงคนมาช่วยเขาให้เขาหาเงินได้คล่องขึ้นแล้วเขาจะได้แบ่งเงินให้เรามาใช้บ้างเท่านั้นเองแต่กลับไปมองว่าเราเป็นทาสเป็นคนใช้เขาจะดุจะดา่าจะว่าอะไรก็ได้ นี่ก็เป็นกา ร, รของคนที่ยังต้องทํางานอยู่ยังต้องไปเป็นลูกจ้างอยู่แต่ถ้าเราไม่ต้องใช้เงินเราตัดการใช้เงินให้มีเหลือน้อยจนเหลือน้อยที่สุดเราก็ไม่ต้องทํางานมากปีหนึ่งอาจจะทําเพียงเดือนเดียวก็พอทําเดือนเดียวนี้ก็มีเงินไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้าน อาหารก็พอแล้วเราจะได้มีเวลาอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขไม่ต้องมารับกับอารมณ์ของเจ้านายของเราที่เราต้องไปรับใช้เขาเพื่อเราจะได้เงินจากเขามาแล้วเราก็จะได้มีเวลามาสร้างความสุขให้เพิ่มมากขึ้นไป ความสุขที่เราได้รับจากการไม่ใช้เงินใช้ทองนี้ก็เป็นเพียงการหยุดความทุกข์ความวุ่นวายใจแต่ความอยากนี้ยังไม่ตายไปถ้าอยากจะให้ความอยากตายไปอย่างราบคาบเราก็ต้องมารักษาศีลกันรักษาศีลแล้วก็มาภาวนากัน ถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะภาวนาได้ถ้าเรายังรักษาศีลไม่ได้เราก็จะภาวนาไม่ได้เท่าที่ควรได้ก็อาจจะได้ผลไม่มากดังนั้นเราต้องมาหัดรักษาศีล ก, ก่อน่อย่างในวันพระนี้ถ้าเรายังไม่รักษาศีลห้าก็มารักษาศีลห้ากันก่อนถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้ว ก็มารักษาศีลแปดกันเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาศีลห้าศีลแปใจเราจะวุ่นใจเรายังจะมีเรื่องมีราวต่างๆที่จะทำให้เรามานั่งสมาธิไม่ได้ทำใจให้สงบไม่ได้เพราะเวลาไปทำบาปใจจะมีความวิตกกังวลมีความวุ่นวายมีความเดือดเนื้อร้อนใจ ลองไปมีเรื่องมีราวกับคนดูลองไปทุบไปตีเขาหรือลองไปฆ่าคนดูแล้วดูว่าใจจะนิ่งใจจะสบายอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือไม่ใจจะหวาดกลัวจะต้องคอยหลบหลบซ่อนๆกลัวว่าจะถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาจับไปลงโทษหรือกลัวว่าญาติพี่น้องของผู้ตาย จะมาตามรางแคนอยู่ก็อยู่ไม่เป็นสุขจิตใจไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะมานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ถ้ารักษาศิ้นห้าได้แต่ยังรักษาศิ้นแปไม่ได<ม>้ก็ยังจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิอยู่ดีเพราะยังจะไปห า, าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังไปร่วมหลับนอนกับคนนั่นคนนี้อยู่ ยังไปเดินไปรับประทานตามความอยากอื่นแต่ถ้าถือศีลแปแล้วก็จะถูกควบคุมมาไว้ไม่สามารถเอาเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิไปใช้กับการร่วมหลับนอนไปใช้กับการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอพปีเขตอยากจะรับประทานเมื่อไหร่ก็รับประทานทั้งๆ ท, ที่ร่างกายนี้ ได้รับประทานพอเพียงแล้วแต่ใจยังไม่พอใจยังมีความอยากก็จะรับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้วรับประทานก่อนนอนนอนตื่นขึ้นมาก็รับประทานก็จะไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิทำใจให้สงบนอกจากรับประทานแล้วยังเสียเวลากับการไป ดูเครื่องมหระศพบันเทิงต่างๆดูทีวีเปิดเพลงฟังจัดปาร์ตี้จัดงานเลี้ยงร้องลำทำเพลงกันหาความสุขทางตาหูจมูกมิ้งกายกันก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าใจไม่สงบก็จะหยุดความอยากไม่ได้ ความอยากก็ยังจะออกมารบกวนใจอยู่เรื่อยๆเวลามีความอยากแล้วก็ต้องรับใช้ความอยากถ้าไม่ทําตามความอยากความอยากมันก็จะมาทิมแทงจิตใจทําให้เรามีอารมณ์ไม่ดีทําให้เรามีความกดหู่ลาคาญใจดังนั้นถ้าเรารักษาะสี่ห้าได้แล้วเราก็ควรที่จะมา หัดรักษาศีลแปดกันเอาวันพระนี้เป็นวันรักษาศีลแปดวันธรรมดาเป็นวันรักษาศีลห้าเพราะวันพระนี้เราไม่ต้องไปทำงานถ้าเป็นเหมือนในอดีตวันพระนี้จะเป็นวันหยุดงานเป็นวันที่เหมาะกับการรักษาศีลแปดถ้าเป็นวันทำงานนี้จะลำบาก เพราะเวลาทำงานร่างกายก็ต้องหิวต้องการรับประทานอาหารจะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะลำบากจะเดือดร้อนแต่ถ้าวันเป็นวันไม่ทำงานเราก็จะได้มาอยู่วัดได้มาหาที่สงบมารักษาสิ้นแปดได้เพราะถ้าอยู่ด้านก็จะรักษาลำบาก เพราะว่าคนที่เขาไม่รักษาเขาก็จะกินอาหารเย็นกันเขาก็จะเปิดทีวีดูเปิดเพลงฟังเขาจะกัดจัดงานเลี้ยงกันมีการน้องลัมทาเพลงกันแต่ถ้าเป็นวันหยุดเราก็จะได้ออกจากบ้านมาอยู่วัดมาอยู่ที่ไม่มีการกินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่มีการร่วมหลับนอนกัน ไม่มีมอรอหรอศไม่มีเครื่องบันเทิงต่างๆไม่มีการเสริมสวยด้วยการทำผ้าทำผมด้วยการใช้เครื่องสำอางใช้น้ำหอมใช้น้ำมันด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่หรูหราวิจิตรพิสดารเพราะถ้าถ้าไปอยู่กับคนที่เขาทำอย่างนี้ใจก็จะอด ที่อยากจะทำกับเขาไม่ได้แต่มาอยู่วัดพอไม่มีใครทำอย่างนี้ก็จะทำให้อยู่ได้ไม่ต้องไม่ต้องมีมอหอรถศพบันเทิงไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็จะได้มีเวลามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบนี่แหละคือ หน้าที่ของศีลแปดก็มีเพื่อที่จะรักษาเวลาให้กับเรานั่นเองถ้าเราไม่รักษาศีลแปดเวลาของเราจะสูญเสียไปกับการหาความสุขทางร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูก น, นิ้นกายที่เป็นความสุขที่เกิดจากการทำทำตามความอยากที่จะไม่ทำให้ความอยากหายไป แต่จะทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปน่าจะเป็นเหตุที่จะทำให้เราหงุดหงิดลำคาญใจไม่สบายใจเวลาที่เราไม่สามารถทำตามความอยากได้แต่พอเรารักษาสิ่นแต่ได้เราก็จะได้มีเวลามานั่งสมาธิได้มาทำใจให้สงบได้ พอเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วความอยากก็จะถูกกําลังของสมาธิกดเอาไว้ไม่สามารถออกมาสั่งการสั่งการได้ทําให้เราอยู่เฉยๆอย่างเป็นสุขได้นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการนั่งสมาธิจะทําให้เราอิ่มใจสุขใจพอใจ ไม่หิวไม่อยากกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัไม่หิวกับการหาเงินหาทองหาอะไรต่างๆอย่างที่เคยหามาก่อนก็จะทำให้เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราว่าเราสามารถมีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆอยู่วัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้ เย็นใจสบายใจอิ่มใจนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราสามารถทำใจของเราให้สงบได้ถ้าเราสามารถนั่งสมาธิได้ส่วนเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาเราไม่ได้นั่งสมาธิเวลาเราออกมาทำอะไรต่างๆถ้าเกิดความอยากเราก็ต้องใช้ปัญญามาหยุด ความอยากก็คือเอาความจริงมายืนยันกับใจว่าทําตามความอยากแล้วมันจะไม่มีวันหมดจะไม่มีวันพอจะต้องหอดหิ่งลำคาญใจจะต้องทุกข์ใจจะต้องเสียใจจะต้องวุ่นวายใจไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ทําตามความอยากใจก็จะนิ่งจะสงบจะเย็นจะสบายไม่เดือดร้อน อยู่เฉยๆไม่มีอะไรดูก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรฟังไม่มีอะไรดื่มไม่มีอะไรรับประทานก็จะไม่เดือดร้อนไม่มีเงินทองก็ไม่เดือดร้อนไม่มีแฟนก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเพื่อนก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรทั้งหลายก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจมีความสุขมีความอิ่มอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่จะมาทำลาย ความอิ่มความสุขของใจก็คือความอยากนี่พอเราสอนใจให้เห็นโทษของความอยากต่อไปเราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากดูอะไรไม่อยากฟังอะไรเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเราจะมีแต่ความสุขความอิ่มใจความพอใจความสบายใจไปจนวันตาย และหลังจากวันตายไปแล้วเราก็ยังมีความสุขอิ่มใจต่อไปเพราะใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราก็เลยไม่ต้องไปเกิดใหม่เพราะไม่อยากได้อะไรอีกแล้วไม่อยากได้ร่างกายมาเป็นเครื่องมือให้เราหาสิ่งต่างๆอีกต่อไปแล้วเพราะเรามีความพอมีความอิ่มอยู่ในใจแล้ว เหมือนกับคนที่กินข้าวอิ่มแล้วไม่สนใจที่จะกินอะไรอีกต่อให้มีอาหารวิเศษขนาดไหนมาตั้งไว้ข้างหน้าก็กินไม่ลงเพราะกินจนอิ่มแล้วฉันใดเวลาใจของเราอิ่มด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็รักษาความอิ่มด้วยการไม่ทำตามความอยากใจของเราก็จะมีความอิ่มไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด อย่างใจของพ่อพระพุทธเจ้าแน่ใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายในตอนนี้ก็ยังอินอยู่ยังมีอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่มีร่างกายแต่ตอนนี้ท่านไม่ต้องมีร่างกายมาแบกมาเป็นภาระเหมือนกับพวกเราที่ยังต้องแบกร่างกายของเราอยู่ยังต้องเดินยังต้องรับประทานยังต้องหายใจยังต้องอาบน้ำอาบท่ายังต้องดูแลรักษา หาอยู่หายามาให้กินเพราะมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆร่างกายเมื่อแก่ลงมากเท่าไหร่ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นจนกว่าจะถึงวันตายนี่คือโทษของการมีร่างกายผู้ที่มีความอิ่มใจมีความพอใจมีความสุขใจแล้วจะไม่ต้องการได้ร่างกายอีกต่อไป พอเห็นโทษของการมีร่างกายว่าเป็นภาระอันหนักหน่วงเหมือนภูเขาที่ต้องแบกไว้ตลอดเวลานี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราได้รับกันให้เราได้เข้าหาความสุขที่แท้จริงให้เราปล่อยวางยกเลิกการหาความสุขปลอมความสุขที่เป็นความทุกข์มากกว่า นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรจะทากันเราลองสังเกตดูว่าทุกวันนี้การทาตามความอยากของเราทําให้เราอิ่มให้เราพอหรือไม่หรือยังทําให้เราอย า, อยากอยู่เรื่อยๆทําให้เราวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่หยุดความอยากกันดังนั้นขอให้เรามาหยุดความอยากกันด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีล ด้วยการภาวนาแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้ความอิ่มความพอเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหลานตาสาคกทั้งหลายได้รับกันอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว่ายเพียงเท่านี้ขอคุณพะศีิรัตนะไตรและบุญกุศล